คนเดียวเล่าเหงาตาลอยอยากมีแฟนตลอดแนวโน้มคือพอมีแฟนจะตาลอยต่อไม่เลิกด้วยฝันอยากมีที่ดีกว่าคนเรามีจิตอยู่สองแบบจิตอยู่กับความจริงกับจิตหนีความจริง ชาวบ้านร้านช่องทั่วไปควรมีจิตอยู่กับความจริงให้มากแต่ก็น่าจะมีส่วนของจิตนี้ความจริงที่ได้ดุลอยู่ด้วยเพราะถ้ามีแต่จิตอยู่กับความจริงล้วนๆอาจแปลว่าฝันไม่เป็นคิดสร้างสรรต่อยอดความจริงไม่ได้ไม่ชอบดูหนังไม่ชอบฟังเพลงไม่มีภาพในใจอันเป็นแรงบันดาลใจให้ประดิษฐ์คิดค้น หรืออยากปรับเปลี่ยนอะไรอะไรผลคือมีชีวิตที่แห้งแลง้งทำเรื่องซ้ำๆไปวันๆหรือไม่อีกทีก็ควรเอาดีทางบวชพบความชุ่มชื่นอันน่าพิสมัยจากการรู้ความจริงในกายใจไปเลยแต่ถ้ามีแค่จิตหนีความจริงหรือหนักไปทางฝันหวานตลอดจนออกอาการตาลอยคว้าง ไม่ชอบมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าชอบมองแต่วิมานในอากาศอันนี้ไม่ใช่ฝันแบบคิดต่อยอดความจริงไม่ใช่คิดขีดเขียนวาดระบายหรือปั้นแต่งอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันแต่เป็นแบบหลบเลี่ยงไม่อยากรับรู้ไม่ชอบใจหรือกระทั่งเกลียดความจริงซึ่งใครเจอแฟนประเภทนี้จะลำบาก เราเอาแต่อยากได้อยากได้อยากได้ไดคิดฝุงกระจายแบบลมเพลมพัดไรจุดยืนจนคุณไม่มีทางคเนถูกว่าอยู่ดีๆเขาหรือเธอจะพูดอะไรแปลกๆหรือทำอะไรประหลาดๆขึ้นมาคนที่เอาแต่ตาลอยเพ้อฝันเกือบร้อยทั้งร้อยจึงมีปัญหาทางความรักเพราะเมื่ออย่างไม่มีแฟน ก็จะฝันหาแฟนแบบเด็กอยากดูการ์ตูนอยากดูแต่เส้นสายและสีสันสวยๆไม่มีความบกพร่องไม่มีกลิ่นเหม็นเจือปนแต่พอมีแฟนเข้าจริงๆพบว่าไม่ได้อยากใจมีแต่ความบกพร่องเจือด้วยกลิ่นอายไม่น่าชอบใจจึงเข้าโหมดหลบหนีความจริงอีกและยิ่งวันจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งหมดความสามารถในการยอมรับความจริงไม่ใช่แค่หลบความจริงชั่วคราวแบบนักฝันเพื่อจะปรับจิตให้ได้ดุล <c arr ie> คุณต้องหมั่นสังเก ต, ตเอาว่าถ้าวันไหนมีจิตอยู่กับความจริงได้มากถึงแม้ทุกข์ร้อนก็ไม่มากเกินจริงโลกภายในเหมือนคนเดินปา่าที่แม้เหนื่อย ก็รู้ว่าแหล่งน้ำอยู่ตรงไหนแต่ถ้าช่วงเวลาใดมีจิตนี้ความจริงบ่อยถึงแม้สุขสบายก็ไม่มากเท่าที่มีจริงได้ในเมื่อโลกภายในคือโลกของความหิวเหมือนคนคลานหาน้ำกลางทะเลทรายไม่รู้ต้องคลานอีกนานเท่าไหร่จึงพบแหล่งน้ำสรุปหลักการ คือเห็นว่าเมื่อใดจิตอยู่กับความจริงเห็นว่าเมื่อใดจิตหนีความจริงเรารู้สึกพอใจไม่พอใจเป็นสุขเป็นทุกข์แตกต่างกันเพียงใดใจจะค่อยๆลดระดับลงมาจากวิมานในอากาศกลับมาอยู่ที่พื้นความจริงอันได้แก่ความรู้สึกทางใจของตนเองพอเข้าหมวดหนีความจริงปุ๊บ จะรู้ปรับว่าสุขเยิมเยิะมมาแล้วและอีกเดียวทุกลอยลอยจะตามมาด้วยหรือกระทั่งเห็นชัดว่าสุขเยิมเยอ้มเดียวเดียวเป็นเหตุให้เกิดทุกยืดเยื้อกระวนกระวายอยากได้สิ่งที่ไม่มีทางได้ได้อะไรมาก็จะอยากได้ต่อไปอีกเพิ่อมคว้าจนสายตัวขาดก็ไม่เจอ อยู่คนเดียวเป็นโดยไม่เหงาจะอยู่กับคนอื่นแบบให้ความอบอุ่นเข้าได้แต่อยู่คนเดียวเล่าเหงาตลอดพยากรณ์ถือว่าอยู่กับใครก็เอาความเหน็บหนาวไปแพร่ใส่เขาไม่เลิก คนสองคนที่ชอบเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีมาอยู่ด้วยกันจะได้คู่บุญขึ้นมาคู่หนึ่งคู่บุญในความหมายของการเคยทำบุญร่วมกันในอดีตชาติเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยากปักใจเชื่อได้ยากแต่บทจะเชื่อขึ้นมาต่างฝ่ายก็ต่างเชื่อง่ายๆ แค่อยู่ใกล้กันแล้วรู้สึกคลิกกันเท่านี้มีสิทธิ์คิดว่าเป็นคู่บุญแล้วจากนั้นก็สบายใจแล้วจะลาใจแล้วคิดว่าภารกิจคู่บุญจบสิ้นแล้วไม่ต้องฝ่าฟันใดๆแล้วเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแล้วคู่บุญชาติก่อนเคยร่วมบุญกันแบบไหน ชาติก่อนเคยร่วมบุญนานเพียงใดถึงไม่รู้แต่ก็อยากเชื่อกันไปคู่บุญชาติก่อนเคยร่วมบาปบ้างหรือเปล่าชาติก่อนเคยร่วมบาปหนักๆไหมถึงไม่เห็นแต่ก็ชอบเดากันว่าน่าจะไม่เคยหากยังรู้และระลึกได้คนเราจะไม่สรุปทึกทักกันง่ายๆว่า โลกนี้จะต้องมีคู่บุญฟ้าประธานรออยู่ข้อเท็จจริงที่คุณสามารถเห็นด้วยตาเปล่าทันทีคือถ้าเอาคนสองคนมาอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนอย่างไรก็ต้องมีเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันอย่างไรก็ต้องทะเลาะเบาะแวงกันอย่างไรก็ต้องมีระเบิดเวลารออยู่เป็นไปไม่ได้ ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแบบตื่นเช้าไปวัดสายหน่อยเลี้ยงเด็กกำพร้าทเที่ยงเที่ยงตั้งโรงทานเลี้ยงรากยญ้าสิบทิศ ต, ตกเย็นช่วยกันแจกหนังสือธรรมะดึกหน่อยสวดมนต์ก่อนนอนชีวิตคู่มีแต่รมบุญทาบุญทาบุญทุกวัน คู่บุญในจินตนาการกับคู่บุญในความเป็นจริงอาจแตกต่างกันเป็นคนละโลกที่จะเข้าใจได้จับต้องได้ต้องมองในแง่ของการอยู่ด้วยกันดีๆในบ้านไม่ใช่เอาแต่มองในแง่ของการร่วมกันไปทำอะไรดีๆให้คนอื่นนอกบ้านคุณสมบัติอันเป็นตัวตั้งให้คนสองคนรู้สึกดีต่อกัน มากขึ้นเรื่อยๆต้องเป็นอะไรที่ทำให้อยู่ด้วยกันแล้วช่วยคลายปัญหาชีวิตของทั้งสองฝ่ายให้ค่อยๆคลี่ออกไม่ใช่ขมวดปมปัญหาชีวิตให้แน่นขึ้นกับทั้งสะสมเรื่องดีๆที่ทำให้มีความสุขให้ทวีขึ้นเรื่อยๆซึ่งคุณสมบัติประเภทนี้ไม่มีทางเกิดโดยบังเอิญ แต่ต้องตั้งใจให้เกิดหรือตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละครั้งทีละหนแม้ยังไม่เกิดเรื่องก็ลองทบทวนเพื่อสารวจเล่นๆดูว่าตัวเองมีอารมณ์ประเภทไหนข้าต้องเหนือกว่าแกตลอดข้าต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอแกต้องเป็นฝ่ายลดทิพยที่ยอมง้อทุกครั้งแกเตะมา ค่าต้องเตะกลับให้ได้ถ้ามีอารมณ์ประมาณนี้เป็นเจ้าเรือนก็อย่าเพิ่งหวังจะมีคู่บุญกับใครเขาเพราะในที่สุดคุณจะเป็นได้แค่คนเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นร้ายขึ้นหรือไม่อยู่ดีดีก็เปลี่ยนเรื่องดีให้กลายเป็นร้ายได้สุดๆต่อให้เดินทางไปทำบุญที่วัดหรือที่ไหนก็หาเรื่องติด ก, กัด ให้เป็นทุกข์ด้วยกันได้ไม่เลิกแม้ใส่บาทร่วมกันกี่ล้านขันก็เทบุญมาล้างความรู้สึกแย่ๆที่มีต่อกันไม่หมดอยู่ดีและพอเกิดเรื่องโทสะจะกดดันให้มนุษย์ทุกคนคู่รักทุกคู่อยากตีโพยตีพายโวยวายใส่กันขณะที่คนตั้งใจเป็นคู่บุญกัน จะรู้ทันความกดดันชนิดนั้นและตั้งใจระงับอาการของตัวเองก่อนลุกลามกับทั้งจริงใจจะผ่อนหนักให้เป็นเบาร่วมกันพอชนะโทสะที่มีต่อกันเองได้คุณจะรู้สึกเหมือนไม่มีเรื่องอะไรจะตาร้ายแค่ไหนที่ผ่านไปด้วยกันไม่ได้ขณะที่ไม่มีเรื่องดีใดผ่านเข้ามาสู่ชีวิตไม่ไหว ยิ่งวันทางจะยิ่งโลงขึ้นที่ชะตากำหนดไว้ให้ร้ายก็อาจกลายเป็นดีที่ชะตากำหนดไว้ให้ดีก็จะกลายเป็นดีสุด